ห้าสิบที่สะว่ายน้ำวันนี้อากาศร้อนเราไปสะะว่ายน้ำกันไหม คุณอยากไปไว่ายน้ำไหมฮาร์ดูลุสต์ที่จ t ทายอุดที่จะคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมฮาร์ดูอิทหอนเคลคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม h a ร์ดู t par b a d บ็ดบุคุณมีชุดว่ายน้ำไหม h a ร์ดูอิท d บลดร คุณว่ายน้ำได้ไหม Can you swim? e คุณดำน้ำเป็นไหม Can you d i k e er? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Can you spring i v a n n e r อาบน้ำได้ที่ไหน Where is the bath? ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Hvor er omkledningsrummet? v e n e r v a j n m e Hvor er svømmebrillerne? n m l mig. Er vandet dybt? n m s r e r mig. Er vandet rent? n m m i g so Er vandet varmt? ผมหนาวมาก น, าน้ำเย็นเกินไปนนผมจะขึ้นจากน้ำแล้วนนกระรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e